ทนั ก, กีตาจักรนิเขตประบท305หชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมานดาว่าทราบว่าขอให้เธอจงเป็นพระยาสินไถของชายชื่อนี้เถิดภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังคาทิเศษ ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครอง ของญาติบอกยิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลบอกยิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองบอกยิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นบอกยิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองว่าทราบว่าเธอจงเป็นพระยาสินไทยของชายชื่อนี้เถิดภิกษุ ร, รับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังคาทิเศสนิเข ป, ปบทจบ